ตัดได้ไงตัดได้ความไม่โลภจะไปตัดเลยแล้วก็น้องที่ไม่ประพฤติผิดในกามและไม่ประพฤติผิดทำกายทําวาจานั้นไม่ให้กระจัดกระจายเลยแล้วทำใจให้ตั้งมัน่นพร้อมที่จะเป็นหนานรอ ง, อ ง, องรับกุศลธรรมบึงสุดนี่ความไม่โลภมันเป็นสีนอยังไงเข้าใจใไหมนี่คือเจตสิกสีอ่ะประเด็นต่อมาคือความไม่โกรธเป็นสีนยังไงที่อามายกตัวยอย่างให่จําไว้นะ เอามาคิดเดี๋ยวเนี้ก็ยกตัวอย่างเดี๋ยเนี้ยก็คือความไม่โกรธเป็นศีนพลพ่าดนะ้วยเนี่ยฆ่าเนี่ยยกตัวอย่างเนี้ยท่านไปดินธบัตใช่ไหมต้องระวังใช่ไหมดินธบัตเนี่ยใจคิดอยากได้อาหารโยมมีอยู่ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไมนโนทุจริตเนี่ยที่เป็นอภิชาเนี่ยก่อนเพิ่หนึ่งสมัยแต่ก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจกุศลศีลข้อ น, นี้ยเออไม่เข้าใจเรื่องอภิชาข้อนเนี้ยผมกนน็ไม่เห็นเป็นไรเลย แล้วอยากแล้วก็ไม่ได้ไปบอกใครใช่ไหมแต่นึกในใจโอ้โหเนี่ยไม่เคยได้อาหารถูกกโลกเลยใช่ไหมมีพระโลกหนึ่งท่านบอกว่าท่านบอกว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวเลยท่านติดมากมากเลยว่าแั้ไหนเดินผ่านร้าน ก, วากวนนาา๋วยเตี๋ยวดินนบาดร้านนี่อันนี้ท่านมาพูดเองเลยนะความโลภมันเกิดแต่มันไม่รู้จะพูดยังไง แต่ความโลภในลักษณะนี้ไม่เป็นนะไม่เป็นอภิชาเป็นความโลภแต่ไม่ครบองค์เพราะไม่ได้ไปเพ่งเล็งอยากได้ของเขาแต่มันโลภขึ้นมาพวกปราถนาแตรู้ว่าปราถนาไปมันก็ไม่ได้ก็ตัดรอนใช่ไหมฮะในตอนนี้ยป็นอย่นี้แต่มีพระอยู่สององค์ท่านเดินมีตาบาดรอบแรกก็ไม่มีได้เข้าเลยท่านมาเล่าให้มาฟังไปอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้อีก ย, ยุ่งแล้วทำอย่างพระอริยะดีกว่า การอย่างพระอัยยะก็คือไปยืนอยู่หน้าร้านก็เกี่ยวยืนอย่างนั้นอายืนได้นะแต่อย่าไปทําจิตโลภนะยเพราะว่าการยืนแบบนิ่งๆเนี่ยเป็นการขอแบบพระอัยยะท่านนี่นแปลพระอัยยะท่านมาขอนะ่นะถ้ า, ามีพ้าไปยืนเฉยๆอยู่หน้าบ้านนะถ้าเราไม่มีเราก็บอกว่าวันนี้ไม่มีศรัทธาก็นิ้มหมุนท่านก็บอกวันนี้ไม่มีศรัทธาที่พระจะเป็นรับไเข้าใจใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งมีพระไปยืนหน้าบ้าน แกว่าท่านขอแบบอริยะท่านไม่พูดหรอกท่านไปยืมถ้าอริยะเป็นแบบนั้นพระอริยะท่านเป็นยังไงคือมีและไม่มีหมายถึงว่าไม่มีก็คนจะพูดบกว่าเราเราไปติดสอ ง, อ ง, สองแต่ว่ามีคนต์าั้งแตข้างหน้าใช่ใช่แต่ว่าเรามีของเราไปนมีมนต์ตั้งแต่ข้าง่ายอย่างนี้มันเป็นก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่สะท า, าไม่สะท า, า <c oughs> แล้วไม่สัทาที่จะทำก็เป็นเรื่องปกติ <c oughs> ถ้าก็ต้องเจอหลายๆลูกเลย คือการเดินวินาบาศเนี่ยมันต้องวางใจให้เป็นบางครั้งเนี่ยเดินไปเลยมันจะผิดหวังมากกว่าสมหวังนะข้อใส่มีไม่กี่บ้างนั่นก็เดินก็ต้องใจต้องเป็นไปกับเมตตาทุกบุคคลจะได้รับคําชมหรือคำตำหนิทั้างเนี่ยต้องต้องวางจิตเป็นเพราะน้อมในการที่จ ะ, จะแสดเมตตาแสดงคระหรือจะเป็นเป็นไง ก, กรรมฐานก็ต้องวางวางจิตเอง ย็นอะไรย่าเหี้ยค่ย็นร้ใช่เป็นเรื่องปกติ อ, อันนั้นแหละคือเป็นท่านจะพิจารณาว่าโทษของการแสวงหาพรวราชก็เป็นเหมืหอนเัาไม่ต่างกันนี่แหละการที่จะต้องมีขันการที่จะมีรูปขันเวทนาสัญญาสัญญาเนอย่างที่ต้องเรียนดูนี่ไงเนี้ยก็เพียงพอแล้วที่ต้องเีืเบื่อหน่ะในการที่จะเลือก ข, <ม>ขอไม่ได้ไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้เลย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 คือยอมที่เขามีความเข้าใจเขารู้รว่าวินัยเขาจะภาวนากับพระที่เป็นที่พระที่รักษาวินัยนียอมก็ยอมก็จะภานะวนาเป็เพราะภาวนาไปเสร็จแล้วเนี่ยพระท่านขอได้โดยไม่มีโทษกระท่านถ้างั้นท่านจะไม่ขอเด็ดขาดถ้าขอไปมันจะเป็นโทษกับท่านเลยถ้าขอบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาท่านเป็นอบัตติต้องคิดอยู่ดีโอเป็นโทษกับท่านมากเลยก็คือว่าท่านจะต้องมาผิดเสียหายกับข้อข้อตรง ไม่ต้องพูดถึงการหยิบไม้แล้วก็ยอม เ, อยเดี๋ยวทำตรงนั้นทำตรงนี้โอ้โหไม่รู้ไม่รู้จะกินอะไรกันเลยเสียหายมากทิ้งบอกว่าเมืออ่อไหร่มาจะหยิบไม้ญาตาิยอนทั้งหลายเดี๋ยวร่วมกันทำเสร็จแล้วก็เขาไม่ได้ภาวนาไว้คุณไม่พูดได้ยังไงขอไปเดี๋ยก็ไปกระทบทุกคนอื่นก็ไม่หมดนี่นียกตัวอย่างถ้ามาเนีคนอื่นก็ไม่ว่ากันมาไปพูดเสียเลย ถ้ากล้าแลกแลกกับที่ตนเองจะต้องเจ็บปวดในอนาคตก็ทําไปถ้าทําไปถ้าไม่สงสารเยถ้าไม่สงสารตัวเองก็ทําอีกพระเป็นแบบนี้ในทางพระธรรมคำสอนเนี่ยเรื่องศีลต้นงนั่งศีลเนี่นยต้องนั่งประเด็นต่อไปก็คืออัโทศาส์คือความไม่โกรธอัโทศาส์คือความไม่โกรธคือความไม่ถึงเครียดแล้วก็เป็นไปกับเมตตาเนาะเป็นไปกับเมตตา อโศกเนี่ยเป็นองค์ธรรมของเมตตาด้วยเป็นองค์ธรรมของขันติด้วยเป็นรากของศีลด้วยอโศกนี่นะเหมือนกาโลพาที่พูดเมื่อตกี้เนี่ยเป็นรากของกุศลศีลถ้าอโศกนี่นะแข็งแรงนะกุศลศีลก็แข็งแรงเพราะเป็นรากอย่างนีถ้าตัวเนี้ยตัวอโศกตัดบันทอนนี่นะศีลจะไม่ยังไม่เจริญหละศีลจะไม่งามเลย ฉะนัอสุรสาคือสภาวะที่ไม่โกรธใช่นะที่เป็นไปกับเมตตายกตัวอย่างย่อมหวานมีเมตตาพอมีเมตตากับบุคคลโดยทั่วไปแล้วเน่ยก็น้อมทําให้ตนเองนั้นไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกลางไม่พูดเท็จไม่ส่อเสียนไม่ไม่พูดไม่กล่าวคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเห็นไหมว่าความไม่โกรธความที่เป็นไปกับเมตตาในบุคคลทั้งหลายแต่กัดมาจัดแจงกายวาจา ให้เป็นไปด้วยงามทํากายกรรมไม่งดงามทําวจีกรรมไม่งดงามแล้วก็ทําจิตให้งดงามแปลว่าสามทวารสะอาดเลยทางกายทวารวจีทวารมโนท ว, วารก็สะอาดและใจก็เป็นไปกับเมตตาแล้วก็มีน้อมในการที่จะผิดศีลถ้าอย่างนี้เป็นเจตสิกศีและสภาวะเหล่านี้เกิดบ่อยเกิดบ่อยแขงแรงมากเกิดอย่างปริมาณที่หนาแน่น เมื่อปริมาณเหตการณ์เกิดหนาแ น, น่นมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าศีลมั่นคงนั้นตรงนี้เนี่ยคนเดินกันไม่ได้ที่เป็นประเด็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยทําให้เกิดไม่ได้แล้วศีลเหล่าเนี้ยไม่ต้องอาศัยว่าจะต้องงดเว้นเดียวนั้นงดเว้นเดียวนั้นไม่ใช่เลยเนี่ยให้เกิดเดียดนี้ได้ไหมเนี่ยตัวกุศรศีลให้เกิดเดี๋ยวนี้ได้ไไดั้มได้เลยเนตตาเนี่ยหรือความไม่โลภเนี่ยเพื่อมาจัดแจงดูแลกายกรรมวิจีกรรมเนี่ย แล้วก็ทํามโนกรรมให้เป็นไปกุศลแล้วก็ไม่น้อมที่จะทําบาปมีการฆ่าการรักการเบื่พฤติผิดในกรรมไปน้่นมีการเพื่อจะแต่งวาจาในการที่พูดคําสัตย์คําจริงเนี่พูดไม่พูดเท็จพูดแต่คําสัตย์คําจริงไม่พูดส่อเสียดจะพูดแต่ละทีก็พูดให้คนสามัคคีกันรักกันมีความสมเกลียวกันใช่ไหมไม่พูดคําหยาบจะพูดแต่ละทีก็พูดใหมัคคีไัเราะด้วยแล้วก็ไม่พูดด้วยบาปพด้ต่พูดด้วยเมตคคีกวย แล้วก็ไม่พูดเชื่อเชื่อพูดเรื่องราวอะไรก็หูหน้าฟังแล้วก็เป็นไปกับบุญเป็นไปกบับกุศลเป็นไปกบัปปกบหลักการไม่ออกนอกเรื่องลักษณะนี้เขาเรียกว่าตัวอัโทสะนั่นแหละเป็นศีลแต่มาดูแลจัดแจงกายวาจาและทํำใจให้เป็นไปกบับกุศลเนี่ยถามว่าศีลมันเกิดขึ้นในชีวิต จ, จริงไหมแบบเนี้ยถ้าศีลเกิดขึ้นเนี่ยมันแปลกแยกจากสังคมไหมไ ม, ไม่แปลกแยกกับสังคมเลย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 เพราะสีมันไม่เกิดที่ใจมังโยมมงคลแล้วไม่จัดแจงกายกรรมวิจิ ก, กรรมของยมมงคลใ้ชัดถ้าชัดเมื่อไหร่นะคนที่อยู่ ใ, ใกล้ๆก็คอยได้รับอา น, นิสงส์แน่นอนเมื่อามาเวลาอยู่กับพระมายอยู่ด้วยกันเนี่ยมั น, นก็ตั้งหลังเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวาิจิกรรมต่อหน้ารับหลัง เมตตามโนกรรมต่อหน้ารับหลังให้เป็นไปกับกุศลศีลนะแล้วก็มีสาทานะโพคีได้ปัจจัยได้อาได้ราบสักสารัรกเดี๋ยวก็ไปบินาบาศมาก็แบ่งปันใช่ไหมศีสลสามัญยตาก็ดูแลกันเรื่องกุศลศีลให้มีความเสมอกันเป็นไปกับกุศลทิตทีสามัญญาตาก็คือให้เป็นไปกันสมอทีเนี่ยามาตั้งหลักเอาคําสอนพุทธเจ้ามาตั้งไว้เลยบอกพวกคุณเดินตามนี้สารานี่ยทำแล้วอยู่ด้วยกัน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 ไม่ได้เจอเลยนะว่าสภาพที่มีความฟรองดองกันมีความรักกันการกระทําทั้งต่อหน้ารับหลังเป็นใบกับเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังก็เมตตาใจกันเนาะเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังมีการแบ่งปันกันช่วยเหลือกันศีลเสมอการความเห็นที่เป็นใบกับคําสอนสมแต่ถามว่าถ้าเราอยู่สังคมอย่างนี้น่าอยู่ไหมหน้าอยู่ฉันเป็นอย่างนี้มีสังคมของคนมีศีลท้งนมันก็เลยมีความถืว่า มันต้องสร้างชุมชนแบบเนี้ยตอนนี้เอามาก็ขับเคลือ่อนก็ต้องทํำจากจุดนี้นะี่ยจากสององค์สามองค์ขึ้นมาเนี่ยแหลแล้วให้เป็นแบบให้เป็นแบบฉบับของทุกเนี้ยนี่ไงคำสอนพุทเจ้านี่ไงศีลเนี่ยดื่มได้จริงๆมีรสชาติจริงๆสมาธิปัญญาเนี่ยศิกขาสามเนี่ยก้าวเข้าไปอยู่นี้นี่ได้จริงๆด้วยเอามาประชุมในกระแสขันธ์ารายยานนาได้จริง ไม่ใช่เป็นแค่ราคานั่งมานั่งคุยกันไปแล้วก็ไปจบก็คือจบไม่ได้ทำอะไรต่อเลยเนี่ยมาไม่ชอบแบบนั้นเหมือนมานั่งฟังเนี่ยฟังไปเบสเสร็จก็ไม่มีการถัดเราเลยเลยเหมือนเดิมทุกอย่างคำว่าเหมือนเดิมก็คือปล่อยบาปเล่นงานใจตลอดอย่นงเงี้ยมาไม่กว่าไม่ค่อยชอบใจคำว่าไม่ชอบใจไม่ใช่ไปโกดเนะก็คือว่าไม่ชอบใจบาปอกุศลใช่ั้มว่า โมหายยมยอะรายกาดนะทั้งๆที่เราศึกษาคําสอนมันก็ไม่กี่อย่างเพราะพดทธิยาวอยู่มะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะถ้ายอมมงคลเข้าใจคําสอนพระเจ้าเนะ่ยยอมมงคลไม่อยากเข้าใจเข้า่าจิตจะตื่นตลอดเลยจะพักผ่อนก็ต่อเมื่อว่ามีจิตจำเป็นเวลาที่จําเป็นก็พักต่อมาก็ตื่นเป็นไปกับพระีธรรมจำสองจะน้อมหัดเก้าด้วยเอง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 ใช่ไหมใช่แต่ในฐานะนี้ปัญญามาเป็นศีลได้ยังไงก็เหมือนยกประเด็นว่าทําไมเจตนาเป็นศีลได้สมาวจาสมากรรมิตาสม า, สมาชีวะตรงตัวอยู่แล้วเป็นศีลสิกขาความไม่โลภเป็นศีลได้เอาสิเมื่อกี้พูดไปแล้วใชงให้ความไม่โลภเป็นศีลความไม่โกรธเป็นศีลได้ทีนี้มาพูดถึงปัญญาเป็นศีลโอ้ปัญญาเป็นศีลนี่ประหลาดไหม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 นี่เป็นกรรมที่ทําในปัจจุบันนภพจะให้ผลในปัจจุบันนภพกรรมที่พะทำในปัจจุบันนภพจะให้ผลในภพถัดไปกรรมที่ทําในปัจจุบันนภพจะให้ผลในภพที่สามต้นไปที่สรุปก็คือเข้าใจเรื่องกรรมเช่นาอกุศลกรรมเนี่ยบาปอกุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยให้ผลเป็นความทุกข์หรือสุขใช่ไหมกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่เป็นอกุศลกรรมนี่นะให้ผลเป็นความทุกข์ไหม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 ไม่พูดเท็จส่อเสียดทำหยาบแล้วเพ้อเชื่อถึงต้นแล้วก็จัดแจงจิตใจไม่ให้โลภไม่ให้โกรธแล้วก็ไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นนั้นตัวปัญญามาจัดแจงใน ล, ลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นเจตสิกศีนฉะนั้นปัญญาวิจัยก่อนได้ไหมไวิจัยในการที่จะทําให้เรารู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมให้ชัดเอ้ายกตัวอย่างเช่นว่าฆ่าฆ่าสัตว์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 แล้วกรณีที่บอกว่าคนบางคนเนี่ยมีทรัพย์สมบัติก็ถูกยึดถูกยักยอกถูกลกักถูกไฟไหมถูกเผาใช่ไหมไอ้ที่อื่นก็ไม่เผาเดินมาเผาเนี้ยนะไปโทษคนเผาคนเผาก็ทํากรรมใหม่เราที่ถูกเผาเพราะโดนกรรมเล่นไงเงี้ยเนี่ยโดนผลของกรรมเล่นเลยอย่างเงี้มันโทษของอาทินหน้าทางังก็เข้าใจก็ไม่น้อมก็น้อมในการที่จะมีสิ่งที่สอง ก็ต้องแตกแยกถูกใส่ร้ายมีครอบครัวแตกแยกถูกใส่ร้ายอะไรก็แล้วแต่นะก็พ่อสามไปที่ไหนโดนใส่ร้ายเรือ่อยเรื่องไม่จริงเขาก็ใส่ร้าตลอดเนี่ยนะมิผลเลยนะลองอะไรภูมิแล้วยังไม่พอนะถูกตัดบ้างถูกตอนบ้างมีโรคภัยแค่เจ็บก็มีได้วอลเวรตรงนั้นนะอหะโอ้หเสียหายมากอันนี้แปลประเภทที่ดีๆแล้วเนี่นะก็เหมือนกับ เอบยาศาสตร์บางตัวเนี่ยมาเกิดเป็นนะเดี๋ยวพวกนั่ต่อดีตชาติท่านนนทยังเป็นเลยจำปีสี่อ็าบางทีเนี่ยนะเออพระพระพุทธเจ้าก็เป็นอมตะสมัยอดีตเนาะท่านนนก็เป็นพระเจ้าเป็นดินพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตามธรรมดาผู้หญิงเนี่ยถ้าได้ขณะได้โอกาสได้ที่รับก็ทําชัว่ว ข้อไปนะพยอมผู้หญิงเยอะหน่อยว่ากันโน้อันนี้อันนี้ก็พูดให้ฟังถ้านน้นก็ไม่เชื่อหรอกต่นั้นเป็นเป็นพระราชาใช่ไหมสนิท ก, กันเนี่ยเขาบอกอันนี้จะทดลองให้ดูว่าไงก็มีสองสามีภรรยาภรรยานหน้าชางามเดินก็คือทั้งคู่ก็ออกมาพาพในเมืองกันเนี่ยนะก็ไม่มีใครรู้ว่า อดีตชาติบ้านนนเนี่ยเป็นเป็นเป็นพี่ยอดวินญาในเมืองนะใช่มเพราะปลอมตัวไงเป็นชายหนุ่มเป็นมานพเนี่ยส่วนอดีตชาติพุทธิย้าที่เป็นผู้บริสุทธิ์ก็เป็นทหารเป็นเป็นอมตะคนสนิทมีปัญญาก็ก็ใช้ปัญญาก็ให้อยู่ในม้านก็หลอกคุยกับผู้ชายแล้วก็ให้ผู้หญิงเข้าไปเข้าไในนั้นก็ทั้งฝ่าย อดีตชาติพ้านวนก็ โ, โปรงบดีรงทั้งฝ่ายข้อพิสัทธิ์ของเรานี่ก็คุยป่ายแอบคุยก็มีใช่ไมไม่ใช่คุยดักไม่ให้ประตามไปไงก็ปล่อยให้ทั้งสองคนทำกรรมนี่นะก็เลยทำกรรมชั่วในการไปประพฤติผิดในการโอ้เนี่ยเห็นไหมก็วิบัติเลย บางชาติเกิดเป็นลิงนะว่านอนเนี่ยก็โดนตัดอวัยวะเพศบางหรือบางทีก็นเน่าหนอนเจาะ บ, บ้างอะไรเนี่ยนะนี่ไงโทษของกรรมเอเข้าใจใไหมมันเป็นแบบนี้ก ร, รมเนี่ยเวลามันให้ผลมันให้แบบนี้หรืออย่างพระพโทธิสัตว์ของเราเนี่ยนะอย่างพระโทธิสัตว์เนี่ยนะ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 โอ้โหมีผู้หญิงเก่งมากเป็นเหมือนเออ่เป็นนักบวชเน่ะผู้หญิงเน่ยคนนักถือกันนั้งเมืองมีสมาบัตรกล้าด้วยพราะพระพุทธศาสนาบอกว่าผู้หญิงอ่ยไม่มีอะไรัจิตใจอ่อนเนี่ยใช่ไหมจิตใจอ่อนเนี่ยจะทําให้วิบัติจากศีลจากสมาบัตรง่ายมากก็แบบนี่ ก็บอกว่าไม่เกินเจ็ดวันเนี้ยก็บอกว่าไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยสามารถอาเว็นภรรยาได้ให้มานั่งรีดเล่าให้ชให้ให้ให้เรากินยังได้เลยเฮ้ยได้จริงค้าปนันเลยท้าพนันเลยท้าพนันกันนอนก็เอาพอทาพนันเสรนนเ็จเอาพระโพธิสัตว์ไปแั้วท่านมีบัญญาจริงใช่ไหมไปไปเจอท่านก็แต่งตัวเป็นฤๅษีก็ไปนั่งอยู่ใกล้ใกล้ มาไปนั่งอยู่ใกล้ๆที่ว่านางอดีตชาติของนางวนเดินกลับจากรับอาหารมาท่านก็นแต่งตัวเบอร์สีนั่งหลับตาเฉยนี่หน้าตาน้าเริ่มใส่นางเห็นมาหูหน้าเริ่มใส่ก็เข้ามาทักด้วยท่านก็ น, นั่งหลับตาไม่มองเลยหม้นางนั้นรู้ศรัทธาเลยโอ้โหตบ่ากล้าหน้าดูเลยคงจะกล้ากว่าเราเยอะนะ ก็วันที่สองมาไม่จะต้องทักให้เลยก็มาทักไม่พูดด้วยแต่ลืมตา ม, มองมองๆทำท่าสังรวม <c oughs> นี่ไงนะนะเขาก็มีการพูดจาไม่เกินไม่เกินสี่วันสรกเสื่อ ม, มววหมดปุ๊บนะเขาก็เลยตามหลังว่าบริสัตทคอยลินเล่าให้ดินแล้วก็มาเนี้ยมาหาที่นักเลงตุลามาหาเพื่อนก็ให้ลินเล่าเจ๊ก็เลยได้รางวัลก็บอกนี่ไง กลุ่มเพื่อนๆงูโผล่หนายแน่มาเ <c oughs> นี่ยเสียหายไม่รู้เท่าไหร่นี่เข้าใจใช่ไหมอันนี้ในชาติที่ผิดพลาดแต่พระโพธิสัตว์นี่นะหรือระดับอริยพรนนุนนี่นะท่านผิดพลาดแป๊บเดียวอันนี้เล่าให้ดูว่าโทษของสังสารวัฏเป็นี้ถ้าท่านจะผิดพลาดแต่ถ้าผิดพลาดไม่ไ ม, ไม่ไม่นานหรอกเหมือนที่ว่าท่านมาจะกพรหมเลยยังไหมมิ่ชาติถึงท่านมาจะกพรมเลยนะ มาเกิดเป็นเสร็จทั้นปฏิเสธสตรีหมดเลยไม่ปรารถนาแม้จะมองแม้จะดูแม้จะสัมผัสก็ขนาดเวลาจะให้ดื่มนมต่างๆยังต้องปิดนะปิดไม่จะยื่นไงยื่นนมเพราะนมมายังนั่นเองให้โดนคือจะไม่ปรารถนาเลยนั่นจะไม่กินเลยค่ะหรือจะรีดน้ํานมให้เนี้เอาอย่างไงนะที่อยู่รอมาทั้งฝ่ายพ่อก็ให้ผู้หญิงโอโลมไปทีโร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 ท่านจะเร็วหรือบางทีนี่นะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ไปมีภรรยาเข้าไปอยู่ในอยู่ในป่าอยู่ในะ ไ, นะ ไ, ปไปอยู่ในไปไปอยู่ในในใ น, ในป่าต่อมาก็มีฤาษีเอาะมาก็ไปเห็นภรรยาของท่านย่งก็เกิดปฏิพัตนท่านก็ไปทุระก็เลยไปเกิดปเปประพฤติผิดในการกับภรรยาของโริษัตเพราอโพธิษัตวมาก็โกรธ เห็นนหมแม่ระชากดาบวิ่งไล่ฆ่าคือตัวฤาษีนี่วิ่งหนีพอวิ่งหนีไปถึงพอท่านเบลเซ่กนกระโดดตอกกระโดดตกหรือท่นก็สังเกตที่เนี้ยพี่ทําไมกระโดดตกกระโดดตอกเนี่ยคือที่จะห่อหนีไงห่อไม่ได้ชามเสือมันยัเสือมาเพราะเปสําคัญว่าจะเด่นเยนก็เลยไปถามวอ๋อเพราะเพียงได้ยินว่าเป็นนักบวชที่เนี้ยใจที่เคยสั่งสมอัธยาศัยในการออกบวชมาันน้องออก อ, ออกบทเบ็ดสร็จก็เหาะได้เลยนี่ท่านจะมีอธัธยาศัยรักษณาก็คิดดูทีมาอยู่ในดงที่ไม่มีพระธรรมคำสอนเนี่ยถ้าใจไม่เข้มแข็งเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยขนาดมีคําสอนลากลดใจขนาดเยี่ยมมงคลยั ง, นนยงเอาไม่อยู่เลยอ่ะไม่ต้องพูดถึงถ้าเราจะไปเกิดในยุคมืดนะยกเยะยกยอดแทงศูนย์เราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราจะกลายเป็นคนชั่วมาก จำไว้เลยจะชั่วมากก็ขนาดมีค kind of ําสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี่นะลาดรถจิตใจทุกวันจริงไหมย่ามัวจริงไหมลาดรถทุกวันมันยังขนาดเนี้ยถ้าไม่ได้เคยรู้เรื่องคําสอนเลยอ่อแล้วไปอยู่ในยุคที่ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนของศาสดาที่ถูกต้องเลยเราจะเป็นอะไรเนี้ยน่ากลัวนะจริงมไหมน่ากลัวไหม ฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่รีบเร่งวนขวาเนีย่ยเราจะไปเร่งวนขวาต่อนยังตรงนี้กิดนะหลังกีังไม่ตันปัญญา่่ด้ารบอกว่าตอนที่ในเกิดเป็นเป็นดินพระพธิสัต์เป็นธรมาร์บอกว่ากล่าวว่าเนี่ยอยู่ที่นกวันไม่ใช่ อ๋อหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยหนึ่งได้โอกาสได้ขนาดและได้ที่รับที่จะไม่ทําชั่วนะไม่มีที่จะไม่ทําชั่วนะไม่มีขอให้ได้โอกาสได้ที่รับได้ขนาดได้ขนาด เอางี้ท่านอยแต่ท่านพิสูจน์ใช่ไหฮะท่านิสูจนได้ใช่ไหมใช่ใความจริงใช่ไหมจริงจริงเป็นความจริงความจริงอย่าพูดตรงนี้ต้องอธิบายจบความเดี๋ยวเราจะมีคางแขงกันอ่าแล้วผู้ชายเลยใช่ไหมเอออย่างตรงนี้มาสังเกตว่ายมหลายคนอาจจะคิดว่าเอะทำไมพุ่งเป้ามาที่ยมผู้หญิงเลยทําสอนพระเจ้าทำไมเป็นคืออย่างนี้ ในสังสารวัตรเนี่ยนะที่ป่ามาเนี่ยเายจ้างไม่คต่อตอ่อพระเียนีระเีหลับตาเส่ร่างไงฮะลืมวันที่หนึ่งหลับตาวันที่สองลืมหน่อยวันที่สามอะไรพูดด้วยก็สนทนาสนธนาก็้สนธ น, น, นาในสุ่จริงๆก็โอ้ลมปฏิลมพะระเีกับแพ้ก็อโอ้ลมปฏิลมนางนะนางนั้นก็เลยใจก็เกิดลาคัะ คือพระบพิสาตว์เยท่านมีความฉลาดในการพูดอยู่แล้วใช่ไหมท่านก็พูดถึงความงามพูดถึงพลานาอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุจริงๆก็อดีตชาติของนางอางุบลวรรณก็ก็เผยใจกรรมราคะก็เกิดความรักในพระบพิสาตว์ขึ้นมาก็เลยน้องสื่อออกมืองแต่นางนี่เริ่มเป็นผู้สนงศีลก็มีสมาบัติอยู่เขามีสมาบัติมีสมาบัติ มีสีลเลยสีลเสริญแตกทำลายหมดเลย <laughs> ใช่ใชก็ราคาะกาไปตัวทำลายอยู่